คนไหนที่เคยไปพุทธสติมาบัางยกมือขึ้นพรทธสติกรุงเทพเมื่อครอที่แล้วหลวงพ่อลิฟทั้งหมดเลยทั้งโทรศัพท์สร้อยคอพระเครื่องปรากฏว่ามีอยู่รายหนึ่งลืมคืนของเยี่ยมบนยืนตึิดกระเป๋าหลวงพ่อไว้ถ้าหลวงพ่อไปข า, ายก็เรียบร้อยเลยนะเพรานั้นในสังเกตไปเรื่อยๆนาะว่าคนไหนติดนาฬิกาติดโทรศัพท์ติดพระเครื่องติดสร้อยคอติดเครื่องประดับกับคนที่เขาไม่ติดเนี่ย มันมีความแตกต่างกันอย่างไรไม่ใช่จู่ๆเราจะเก็บจะริบนะแต่ต้องมีการศึกษามาวิจัยมาก่อนว่าเออถ้ามีมันเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีมันเป็นอย่างนี้ก็ทดสอบมา5ครั้งสิครั้ง20ครั้งไม่ใช่มันมีผลจริงๆแล้วก็เริ่มทยอยอันไหนที่มีผลต่อการปฏิบัติก็เริ่มทยอยเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บ บางคนก็รับไม่ได้ก็ไม่มาก็โอเคจะไม่เป็นภาระไม่เป็นภาระพอใจไม่เต็มร้อยนี่ก็ไม่ต้องยังไม่ต้องมานะใจเต็มร้อยกันแต่มีอาบุญคุณศนเราก็จะไม่เอาบาปออกบุญจะเกิดยังไงไอการที่มีของอยู่มันจะเกิดจังบนแต่ของไม่เป็นบาปหรอกไอความวิตกจังบนจะเก็บจังไดจะหายหรือเปล่าเก็บไว้มันจะปลอดภัยไม่หายแล้วจะทำอย่างนี้จะคิดอยู่ที่อยู่อย่างนี้แหละ ก็ทำให้เกิดวิบาสตรงนั้นของไม่มีปัญหาหรอกยิ่งพ้าเครื่อง <c oughs> บางคนองค์เป็นแสนนะสมเด็จวราคังก็ต้องเก็บแต่ถ้าไม่เก็บเ้ากังวลแต่ถ้าหลวงพ่อเอามาหายหลวงพ่อรับผิชอบถ้าหลวงพ่อไม่มีเงินใช้ก็จะไปรับใช้แทนหนึ่งกันก็บอกอย่างนี้เลยนะเนี <c> ่ย <oughs> ถ้ามาทำหายไม่ต้องกลัวนะจะไปรับใช้ครบเลยนะครบหนี้เลยวนะ่างั้น เรารู้ว่าเป็นของพระไม้บอว่าไม่ทำนะาะฉะนั้นจะเห็นว่าอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคต่อ ก, การปฏิบัติไม่ว่าที่เป็นรูปทำนำทำเนี่ยต้องแก้นะแก้ให้จกแต่ช้าหรือเร็วก็แก้ไปเรื่อยๆบางทีจะมัวเกรงใจกันเนี่ยเวลามันสั้นนะเกรงใจกันไม่ได้ละแต่ในกรณีที่เรามีเวลาเยอะๆก็กเพื่ปรับเปลี่ยนิ เพราะิสัยคนบางคนปรับทันทีไม่ได้มันมันหักมันหักแล้วต้องปรับไปทีละนิดเลยนี่ไฟแซ่ไฟจบไฟแต่งไปทีละนิดแต่บางคนแล้วมัน่อยทําไม่ได้อันตรายก็ต้องทําทันทีเหมือนกันทําอยู่รุนแรงผ่าตัดนี้คนไข้บางรายนั้นไม่ผ่าตัดนี่ตายนะไส้กิงแตกนี่ไม่ผ่าตัดไปตายเหมือนกันะคนบางคนนิสัยอันตรายถ้าไม่บอก ไม่ดา่าไม่ว่าไม่สอนทันทีเนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อคนอื่นต้องบอกทันทีก็พิจารณาถึงความหนักเบาแต่ละคนไม่ก็ที่จะบอกคนสอนคนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเรื่องยากมากเป็นเรื่องยากสอนแล้วหมายความมันได้ผลนะแต่สอนแบบไม่ได้ผลก็คือทําลายเขาแหละทําลายเขาก็ยในตัวนี่คือเรื่องยากของมันเพราะนั้นในการ ปิบัติเราก็นึกถึงกฎของธรรมชาติที่เป็นรูปธรรมด้วยรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนี่มันเกิดมาจากนมามธรรมนั่นแหละที่บอกไปเมื่อวานว่าใ้การที่เรามานั่งเป็นคู่เป็นคนอยู่ได้เนี่ยก็จะจืจูไปเกิดในท้องแม่โดยที่ไม่มีผู้หัวตัวเมียเนี่ยมันไม่เกิด แต่เมื่อเหมือ น, นไก่นะไก่นี่ไม่มีตัวผู้มันก็เกิดไข่ใช่ไหมแต่มันยังไม่ทราบแล้วไอ้ไข่ที่มันมีตัวผู้เนี่ยมันไข่ออกมาเนี่ยเอาไปไปฟักมีลูกไหมเป็นไก่เป็นตัวไหมไม่เป็นใช่ไหมอันนี้ก็อันนี้ก็นนกมีการปรุงแต่งเขาฉีดสารฮอร์โมนฉีดอะไรเข้าไปมันก็เป็นไข่ได้อแต่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงตั้งท้องโดยที่ไม่มีแต่งงานก็ได้ใช่ไหมอเอออย่างเงี้ยมันพัฒนาไปเต่งยีพัฒนาไบ ในการใช้เอามาเลี้ยงในหลอดแก้วามาเลี้ยงปากพันอุ่มบุญ อ, อ, อ, อะไรที่เขาว่ากันเนะนี่มันก็พัฒนาไปนะดังนั้นทุกของคนมันซับซ้อนเพราะมีการพัฒนา เ, เหตุเกิดทุกซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆดังนั้นะในสมัยโบราณเนะี่ยเขาไม่ต้องสอนกันมากไม่ได้ปฏิบัติกันมากเขาก็ถึงทำเพราะว่าเหตุเกิดทุกเนะี่ยมันไม่ซับซ้อนแล้วคนก็ไม่ซับซ้อน ผลก็ง่ายๆตรงๆรงรงก็ได้ผลเร็วแต่คนทุกวันนี้มันยากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเหตุเกิดทุกมันซับซ้อนว่าจะขุดว่าจะพ้นว่าจะดึงออกมาได้อย่างเราบอกว่าอย่าหลับตานะคนสมัยก่อนเขาเชื่อเลยนะไม่หลับแต่เดี๋ยวนี้ก็ฉันจะหลับใชื่อย่าง น, นมันซับซ้อนอย่างนั้นว่าฉันจะไม่อยากไม่หลับแต่สุขภาพฉันไม่ไหวจริงๆไงมันต้องหลับโดยอัตโนมัติจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม เห็นไหมไม่ซับซ้อนมากอ่ะถึงแม่ฝืนแล้วก็ตาวนะล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่เชื่อนะเขาเชื่อแต่ร่างกายเขาไม่ไหวจริงจริงๆอ่าแต่บางคนค่ยเสพติดนะเสพติดหลับตาถ้านั่งปฏิบัติแล้วไม่ได้หลับตาเนี่ยทําไม่ได้ที่เขาขั้นเสพติดอ่าเพราะว่าทํามานานแล้วมันติดถ้าไม่ถ้าไม่ได้หลับตาเนี่รู้ว่าไม่มีแรงไม่มีเรี้ยวไม่มีแรงเลยเหมือนคนทางเหนือทางอีสานติดข้าวเหนียวอ่ะคนไหนเม่อก้กินข้าวเหนียวจะทำงานไม่ได้นะไม่มีแรง ใช่ไหมเพรานะนั้นอุปทานมันลึกซึ้งนะทานนี่ลึกซึ้งมาก ท, าทั้งทีว่าข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้แต่ว่าอุปทานของมันไปเสริมแรงมีผลนะอันนั้นในการปฏิบัติเราจะเข้าใจนามธรรมต้องรู้รูปธรรมในหลักสูตรของพ่อเทียนนั้นเริ่มต้นว่าให้รู้รูปนามรู้รูปธรรมนามธรรมรู้โลกโลกนามโลกรู้อนิจจังทุกขังอนัตตา รู้สมมุติรู้ปรมาณรู้การเกิดการดับมันจะเรียงไปอย่างเงี้ยนิยมก็นั่งอามาก็นึกว่านั่งแกนั่งง่วงน้ำบาวน์แต่แกสร้างจังหวะเนี้ยแต่เนื้ว่าการทรงตัวกันไม่ดีเนียง่วงไปเงียบมาโดยไม่รู้ตัวเพราะอันนี้ร่างกายเสียสูงก็อันนี้ก็เป็นวิบากของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเราจะไปเมาว่าเราอยู่ข้างหลังไปเมาเพาะว่าของ่วงก็ไม่ได้ไอ้จะว่าง่วงก็ไม่ใช่นะคอยสร้างจังหวะอยู่นะถ้าง่วงแล้วมันก็ต้องนิ่งเงียบเชิง นี่สร้างจังวหวะโดยแสดงไม่ง่วงหมดแต่ว่าร่างกายสูญไม่ค่อดีเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าวิบากกรรมก็ซับซ้อนแก้ยากเราก็ต้องใช้สติปัญญาละเอียดขึ้นละเอียดขึ้ น, นเพื่อที่จะแก้วิบากกรรมของเราเองยิ่งจะมาเป็นคนพูดคนสอนเนี่ยก็จะต้องนอกจากรู้ตัวเองเพื่อรู้คนอื่นด้วยว่าเขามีปัญหาอะไรต้องแก้เขาให้ถูด้วยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติ ที่ว่ารู้รูปนามเนี่ยซึ่งได้กล่าวมาสองวันสามวันแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมรูปนามคืออะไรยังเข้าใจแล้วเนาะหรือ ย, ยังไม่แน่ใจถ้าไม่แน่ใจนี่แสดงว่าหลวงพ่พูดสอนใช้ไม่ได้เลยหลวผพ่อต้องไปฝึกบ่อยๆเพื่อจะได้พูดให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่ผมวงพ่ไม่ได้โทษคุณไม่เข้าใจนะแต่วิธีการนำเสวนหลวงพ่ออาจจะเ ย, ยอะๆยาวๆเกินไปให้สับสนนะ<ม>ก็ต้องปรับ ในสมัยก่อนที่สมัยที่มาศึกษาปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนสอนมากกว่าอาจารย์ทุกอาจารย์ก่อนจะฉันท่านก็พูดขณะฉันท่านก็ยังไม่ฉันท่านก็พูดหลังฉันแล้วท่านัวพูดเวลาทาําวัดก็ตั้งแค่น้โมเสร็จแล้วก็เทศต่อเลยไม่ต้องไปสวดยวืดเยื้อยาวๆเหนื่อยๆไม่ต้องเห็น ไ, ไหม ด้วยการทําความฟังเข้าใจบ่อยๆพูดบ่อยๆ ย, ย, ย, ย, ย้ําแล้วย้ําอีกในจุดเดิมนั่นแหละคนไม่เข้าใจให้มันรู้ไปดีใช่ไหมพูดมันวันละสิบครั้งยี่สิบครั้งถ้ามันไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นก็เรียกวิบากกรรมหนักเกินไปไปล่อยไปซะไอ้เรองนี้นะ <c ười> นั่นมาเคยไปอยู่กับหลงพ่อพุทธทาสเคยไอยู่กับพ่อโชโดบท่านก็พูดเป็นเวลาเออทีละครั้ง เสารละครั้งอย่างนี้นะนอกจากนี้นก็ไม่เคยพูดแต่หลวงพ่อเทีพูดวันละหลายครั้งอย่าเงี้ยมันก็เลยทําให้คนโง่ๆ อ, อ, อย่างเราเนี่ยเข้าใจได้นคนทื่อๆทุบๆอย่างเราเข้าใจถ้ากระทุ้งแล้วทุบอีกเหะอใช่ไหม อ, อาจารย์ทั่วไปจะแค่เคาะไม่แตกกางก็ทิ่งแล้วใช่ไหมแต่หลวงพ่อเนี่ยไม่แตกก็ทุบอยู่นั่นแหละทุบจนแต่นี่คือความวิเศษของหลวงพ่อเทียนนะีคือความวิเศษของหลวงพ่อเทียน แล้วท่านสอนแล้วใครติดอารมณ์ที่ไหนนี่นะท่านรับผิดชอบถ้าไม่ใช่อบรมแล้วก็ไปปฏิบัติปไปใหญ่ก็เรื่ อ, ของของเขาเธอกรลไรกัดไปแก้เอาไม่ใช่อย่างนั้นนะอาจารย์กวิศเขมรานธานเนี่ยปฏิบัติกับท่านอยู่ที่วัดสนามในช่วงหนึ่งท่านก็ลงไปสร้างอาสมนาวชิวันอยู่ที่สงขลาปรากฏในช่วงสร้างอาสมท่านไปติดอารมณ์ที่นั่น หลพ่อเทียนรู้ท่านติดลงท่านนั่งรถจากวัดสนามลอยไปสงขลาคืนนั้นเลยพอแก้อารมณ์เสร็จเ่ากลับเลยนะเ อ, อ็คันนั้นน่ะผมพอเทียนไม่ใช่ธรรมดาอนะอืหลวงพ่อไปทูปลปวดออวี้จิตุรัติดอารมณ์ตอนนั้นหลวงพ่อป่วยบอกฮะท้าวหามผมไปแท็กซี่ว่างเงนนะหามว่าประคอหลวงพ่อไปขึ้นแท็กซี่ไปแก้อารมณ์ให้หลวงพ่อผู้ถูลนี่ครูบาอาจารย์ฉันเยี่ยมจริงๆเนี่ยที่ที่รับได้นี่นะ แล้วูบาอาจารย์กรรมฐ า, านอื่นเขาจะตามขนาดนั้นนะไม่มีใครจะมานั่งอพูดปากเปรียบปากแฉบนอกเรียนไม่มีอ่ะนะแต่คนยุคยุคหลังนี่บอกว่าหลวงพ่อเทียนไม่เคยพูดก่อนในยุคท่านป่วยแล้วนี่พูดมากไม่ได้หมอห้ามมาเราก็บอกเออหลวงพเทียนไม่เคยพูดแต่เอาไปหลวงพ่อพูดมากแลก้วเลยนั่นแะแต่ไปเจอยุคที่ท่านไม่ป่วยบางเสียยุคที่ท่านป่วยนี่ก็เริ่มอ่ะหลวงพ่อจะพูดมากนะอาการมะเร็งมันจะกำเริ่มวัยเกินไป หมอบอกว่าที่ตรวจพบครั้งแรกบอกว่ายังมากไม่เกินสองปีอย่างมากที่สุดกหกเดือนนะั่นหลวงพ่อนะทำใจนะตรวจพบปีสองสี่ใช่ไหมท่านมาอยู่มาถึงปีสามหนึ่งอะกี่ปีนะหกเจ็ดปีใช่ไหมเอออย่างงั้นอ่ะมันมันมันผ่านอ่าเกินคาดที่หมอคาดไว้อย่างมากที่สุดนั้นไม่เกินสองปีนะั่หลวงพว่ออันนี้ผ่านมาเจดปีแล้วคุณจะว่างไ ง, างทางท่านนี้ทําตามหมอบ้างไม่ทาตามบา้าง อย่ห้ามไให้หมอพูดไม่อย่าห้ามเอาหลวงพ่อพูดไม่ได้แต่หลวงพ่อต้องพูดได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นน่ยหมอว่ากันนะอะ่มันตายก็ตายก็ยกกพอเพร้ะหลวงพ่อพร้อมที่จะตายแล้วหลวงพ่อดังนั้นก็ไม่ได้ทำตามหมอดัง น, นั้นในการปฏิบัติท่านจะเริ่มต้นโดยว่าลูกนามเนี่ยถามวิโยมเข้าใจลูกนามหรือยังลูกน้ำดูเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเป็นแก้ไขเป็นดูหนักดูเบาเป็นแก้ไขเป็น แก้ไขด้วยสติสมรญญาทุกครั้งหรือมากกว่าไม่รู้ก็ถือนั่นแหะเริ่มเริ่มรู้ละ่ะ เ, เนี่ยคือเริ่มต้นรูปนามไปอย่างนี้แหละแล้วเรารู้ได้ไหมอย่างนี้เออท่า น, นก็รู้แล้วนี่ใช่ไหมแต่ถามว่าจะแก้ปัญหานได้ทุกครั้งไหมเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงถ้ามันเกินเนี่ยแก้ให้พอดีได้ไหมถ้ามันหย่อนยานเกินไปทําให้ง่วงเหนาะครับไม่เพลินน่ะแก้เป็นพอดีได้ไหมตรงเนี้ย คุณจะรู้เข้าใจถูกไม่ถูกันตรงนี้นะยากไหมไม่ยากถ้าพยายามมาถ้าไม่พยายามก็มันก็มันไม่ใช่ยากมันทําไม่ได้เลยแหละถ้าไม่พยายามน ะ, ะรู้รูปนามคือรู้รูปนามเกิดจากอะไรเกิดจากธาตุกายของเราโดยที่มีความรู้สึกเนี่ยขเขาเรียกว่ากายไหมขเขาเรียกอะไรเรียกว่าศส เรียกว่าสพเรียกว่าทอนไม้แต่ถ้าหากว่ามันมีแต่จิตวิญญาณไม่มีร่างกายเขาเรียกว่าอะไรเรื่อเรื่อง่าผีนะเห็นไหมมันไม่มีคนอยู่เลยอ่ะเรื่องก็ผีเรียกว่าปีศาจแล้วก็ว่าไปแต่ถ้ากายกับใจมันบวกกันถึงเรียกว่าคนนะแต่ที่คนระดับไหนคนกี่เปอร์เซ็นคนสิบเปอร์เซ็นคนยี่สอร์เซ็นหรือคนร้อยเอร์เซ็นแต่คนที่ถือว่าจะสมบูรณ์ เริ่มเป็นผู้เป็นคนนะต้องรู้สึกตัวระหว่างกายกับใจเมื่ออะไรเกิดต้องต้องรู้สึกตัวตั้งแต่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตขึ้นไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตถ้ารู้สึกตัวถึงยี่้าเปอร์เ็นตนี่ถือว่าเป็นเป็นพัสดาบันแล้วนะเนี่ยเป็นพระสดาบันแต่คนเราส่วนใหญ่จะรู้สึกตัวและชัดเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ปุถุชนเราเนี่ยสิบเปอร์เซ็นถึงไหมยี่สิบเปอร์เซ็นตนี้เป็นกายาณชนแล้วเป็นสาธุชนแล้ว พอ25เปอเขึ้นเริ่มเป็นอาลยชนแล้วแต่ระหว่าง1ถึง15ยี่สิบยังเป็นปุตุชนอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเป็นปุตุชนชั้นดีชั้นเลิศชั้นเวลวเลยขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของความรู้สึกตัวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพราะเพิ่มขึ้นถึง20เปอร์เซ็นเป็นกัลยาณชนเป็นคนดีแต่ใกล้ถึง25เปอร์เซ็นต์นีเรียกว่าเป็น สาธุชนเลยยีิบห้าเเซ็ขึ้นเป็นอรียชนละเริ่มตรงนั้นถามว่าตามความรู้สึกเย็ยนน้อนอ่อนแข็งขตึงขึ้นไหวนมันรู้ยากไหมถ้าเราไม่ได้เรียนรู้กับครูอาจารย์ไม่ใช่ยากไม่ใช่ง่ายมันไม่รู้มันไม่รู้ก็คือทำไม่ได้นะั่นเองใช่ไหมเออมไม่รู้แต่ได้พบครูอาจารย์ท่านมนเนนท่านมาบอกจุด น, นี้แหละเธอเริ่มตรง น, นี้แหละ น, นี่คือวิธีการหลวงพ่เรียนท่านเน้นเอาจุด น, นี้ให้ได้ก่อนนะ ก่อนที่ท่านจะเริ่มจุดนี้ได้เนี่ยท่านเคยไปสักถามกับหลวงพ่อวันทองทั้งคืนเลยนะท่านว่าว่าให้รู้รูปนามโดยการฟังโดยการสนทนาเนี่ยให้ได้ในที่สุดตลอดทั้งคืนเนี่ยท่านก็สรุปมันรู้โดยการฟังไม่ได้เราคุยไม่ได้มันต้องทําในที่สุดท่านก็เริ่มทําเลยตอนแรกท่านก็ว่าท่านผ่านประสบการณ์มามากแล้วฉลาดพอแล้วเนี่ยแค่รูปนามไม่ต้องปฏิบัติให้ยากเราใช่ไหมก็สรุป ง, ง่ายๆแบบเนี้ แต่ปรากฏว่าพอถูกกระทบแล้วน้ำเบี้ยวทุกทีอ่ะไม่ทันนะเพราะสติที่ยังเมื่อเร็วฝึกฝนเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะช้าเหมือนเดิมคือเวลาเราคนเราทั่วไปเวลาถูกกระทบแล้วมันถึงไม่พอใจอ่ะใช่ไหมส่วนจะตั้งอยู่ได้นานหรือไม่นานขึ้นอยู่กับว่าได้สติเร็วหรือช้านะถ้าได้สติเร็วก็หมายของเออสติปัญญามาเร็ว บางคนพูดไม่ถูกหูมากมากไม่มองหน้ากันหลายวันนะใช่ไหมไม่อยากพูดด้วยหลายวันเป็นมเคยเคยเป็นไหมอยู่ที่บ้านก็ไม่ไม่ค่อยพูดกับนิยาตอนที่มีปัญหากันนะใช่ไหมหลายวันก็ค่อยมาคุยมาทําอะไรทําความเข้าใจกันเลิกโกรธเลิกอะไรกันได้ก็หลายวันก็จะทำได้นี่คือปุถุชนนะแต่ถ้าว่าเป็นกัลยาณชนก็จะไม่พอใจเหือกันแต่นิดนึงอาจจะผ่านไป สามชั่วโมงหาชั่วโมงก็ทาใจได้กลับมาพูดกันเหมือนเดิมเป็นสาธุชนก็ให้อาภัยกันก็จบใช่ไหมเป็นอริชนกระทบปั๊บสักพักก็หลุดละเียมันมันมันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่มากระทบแล้วความพอใจไม่พอใจของเราหลุดเร็วหรือช้ามันวัดความเป็นชั้นชนชนชั้นกันตรงนั้นถ้าสิ่งที่มากระทบแรงสระ คนทั่วไปสิ่งที่มากระทบแรงๆสละได้ช้าอาจจะเป็นบางคนไม่เผาวี้งเลยนะใช่เออพี่น้องกัินเลยกูไม่ไปเผาวิมันเลยล่ะถ้ารอชีวิตอะบางคนมาละไม่ได้เลยอะนะขณะนั้นน่ะมันยากขนาดนั้นแต่พอพัฒนาขึ้นเรื่อยๆสติสัมผัสดีขึ้นดีขึ้นเพราะนั้นความรู้เนือ้อรู้ตัวที่ว่ารูปนามคือรู้เนือ้อรู้ตัวเนี่ยจึงเป็นเบื้องต้นยังไงให้รู้ สมมติว่าเราจะอ่ใช้ให้คนทําอะไรเนี่ยถ้ามันหลับอยู่เนี่ยเราใช้ได้ไหมไม่ได้เพราะฉันจะให้มันทํางานให้เราจะทำไงก่อนก็ต้องไปปลูกให้มันตื่นได้เวลาแล้วมันตื่นตื่นตื่นไปทํางานใช่ไหมเออ น, นี่คือมันกันเราจะทําให้คนรู้เนื้อรู้ตัวก็ต้องปลูกกันบางคนก็ปลูกหนักบางคนก็ปลูกเบาบางคนก็ปลูกค่อยบางคนก็ปลูกแรงอย่างเงี้ย อ่ามันก็หนาหนักบางคนนี่อ้าตื่นนะมันลุกอะไรใช่ไหมเอาบางคนเรียกสองสามทีมันตื่นบางคนตะกวนไปสองสามครั้งมันก็ยังไม่ตื่นบางคนอาน้ําไปสาดเพื่องวงเงียขึ้นมาใน <c oughs> สมัยที่มาบวชนิ่น้อยนะบางคนมันหลับไหลจริงๆอาน้ําไปสาดมันยังงวงเงียขึ้นมาอ่าตีละครัก่อนแล้วบอกก็แล้วอะไรก็แล้วเห็นไหมบางคนผู้ชนบางคนก็ลึกจริงๆเคยจะบปวดได้ อย่างชาว บ, บ้านธรรมดาเนี่ยมาบาที่ปลูกจนทุดลาด้าแล้วต่อมาไม่ปลูกอ่ะเอาปล่อยให้มันดับงั้นต่อไปเลยอะไรกันมีก็เรื่องกับแบบจืดๆนั่นแหละนะแล้วว่าบอดตาใสบ้างนะบอดสนิทบ้างนะเพราะนั้นเองก็การรู้รูปนามาเพราะฉะนั้นในการรู้รูปนามเนี่ยให้เริ่มต้นจากเวทนาที่เรากระทบเพราะว่าแต่ละคนที่นั่งเนี่ย ไม่รู้สึกหนักไม่รู้สึกเบาที่ที่ตัวเองนั่งเลยนะัเป็นไปได้ไหมอืมเป็นไปไม่ได้เว้นแต่คนเป็นอมพลึกอมพาดนะมันไม่รู้สึกนอือมเป็นไปไม่ได้ทีนี้เมื่อเรารู้ได้อย่างเงี้ยมันก็เริ่มมีมันไม่ใช่มีมันมีอยู่แล้วอะ่ะมันมีมันมีอยู่แล้วเนี่ยแต่ขาดคนมาชีว้ว่าอันนี้นะมันทองนะมันไม่ใช่ตะกั่วนะเออมันทองร้อยเปอร์เซ็นะไม่ใช่ทอง อ่าชุบนะอ่าดูให้ดีนะเราไม่ชี้แค่นี้เองโอ้จริงเหรอทองอะ่ะที่มึงเห็นก้อนดินอยู่ตรงนั้นคุณทุกไปไหน่ียข้างในมันเป็นทองนะอันนี้เขาหอกดินเอาไวอ้อ่ะไอคนที่มันเห็นใช่ไหมคนที่มันรู้อะ่ะเราก็ไปค้อนโอ้ใช่ไอร่างกายของเราที่เห็นมันอย่างเงี้ยที่มันพอกความโรคกวดลงเอาไว้บางๆนะแต่ข้างในมันมีอริยะอยู่นะข้างในมันมีพุทธะอยู่นะคุณเคาะเอาโรคปวดลงเอาหน่อยสิแล้วคุณจะเจอพุทธะ คจะเจอรู้สึกด่วนแล้วก็ไม่บอกแค่นี้แต่บุคคลยอมเคาะไหมเคาะเหมือนกันแต่มันเคาะไม่ถึงเพราะมันพ่อหนาน่อยแต่บางคนมันพ่อบางๆเคาะเราเห็นเลยก็เอาเต็มที่เลยนะบางคนมันพ่ออยงนี้อหลายเปอร์เซ็นต์น่ะมันก็ทุบหลายวันหน่อยใช่ไหมมันก็ทุบหลายวันพอจะเจอเออใช่ตัวรู้ตัวนี้แหละคือบางคนพูดหลายครั้งถึงจะเข้าใจไงแต่บางคนพูดครั้งเดียวเข้าใจเลย หมายความว่าเออโลกปูหลงมันบางโลกปหลงก็เหมือนดินที่มันพอกอย่างนั่นแหละแต่ในนั้นมีทองมีเพชรทุกคนส่วนจะลึกหรือตื้นอยู่กับว่าผิวที่เราพอกมันมาเนี่ยหนาแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราเรียกปุถุชนเงี้ยคนหนาในปุถุชนไม่ใช่ว่ามีทองมีแต่ว่าดินมันพอกไงมันหนาหน่อยเขาเรียกปุถุชนะแปลว่าหนาเงโอ้ไอ้นี่มันหนาเไดเกินขาะหลายครั้งนะ ดังนั้นในเรื่องเนี้ยเราอย่าเป็นปุถุชนมากเกินไปให้เลื่อนขัน้นขึ้นเป็นกายยาชนหน่อย น, น, นะถ้าฐานาสักสิบชั้นเน่ยกายยาในชนอาจจะหนาสักแปดชั้นสาธุชนอันาจักห้าชั้นอริย ช, น, ย น, ชนเนี่ยหนาสักสาชั้นอย่างเงี้ยเขอหน่อยท่านก็นรู้ละเราก็ค่อยๆข้ออ อ, ออกบางทีไอ้สิ่งที่พอกเนี่ยมันไม่ใช่ดินธรรมดาเนาะเป็นดินที่เคลือบค่อนข้างละเอียดอะ่ะใช่ไหม แค่ยิงถึงมันจะเคลือบบางๆแถวออกยากก็มีแค่สีอย่างเงี้ยน ะ, ะคุณเพ่อข้อธรรมดาคุณไปล้างธรรมดามันออกที่ไหนนะถ้าคุณไม่ใช้สารเคมีคุณไม่ใช้ไฟเผาอ่ะดังนั้นบางครั้งต้องลงมือทําความเพียนหนักเพื่อที่เอาไฟเป็นลนไอตรงที่มันสารเคลือบเนี่ยให้มันละลายออกมามันไม่ใช่ดินธรรมดานะอันนี้คือวิธีการว่าทําไมต้องรู้รูปนามก่อนเพื่อจะให้รู้ว่าไอตัว ทุกขเวทนาเนี่ยสุขเวทนาที่มีอยู่ตรงนี้นะมันเป็นสารตั้งต้นของสติเป็นสารตั้งต้นของสติทุกคนมีอยู่แล้วแต่ว่าใครนํามาบอกเจ้าชายชีทเทถาไปนค้นพบใช่ไหมแล้วก็นํามาบอกเราก็ไปสมมุติชื่อเจ้าชายชีเทถาสมัยว่าอะไรพุทธะแปลว่าผู้ค้นพบความเป็นผู้รู้ตื่นเบิกมานในมนุษย์ทุกคนมีอยู่แล้วท่านไปนค้นพบแล้วก็านํามาสอนเรา เราจึงเรียกว่าพระพุทธองค์เมื่อเคยเรียกพระพุทธเจ้าเท่าไหร่นะพระพุทธเจ้าท่านเลิกความเป็นเจ้าแล้วใช่ไหม <c oughs> เลิกความเป็นเจ้าแต่เรายังเป็นเจ้ากันอยู่ก็เไปเติมให้ท่านอยู่ดีนั่นแหละพระพุทธองค์ท่านสอนท่านตัดสู้มาอย่างนี้อันนั้นเวลาเราปฏิบัติให้กลับมาดูความรู้สึกง่ายๆของเรานี่แหละนั่งนานไปไงร่างกายสบายไหม โล่งไหมหน้าท้องนั้นแน่นเกินไปหรือเปล่าเสื้อที่ใส่หลวมเกินไปไหมผ้าที่ห่มนี่หนาเกินไปไหมหนาแล้วไปไงร้อนไหมสํารวจไปขนาดนี้เลยนะเออไม่ใช่ว่าคุณจะหนักอยู่ที่เดียวที่อื่นมันก็มีอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แสดงอาการหนักมันแสดงอาการตึงอาการเครียดอาการร้อนอาการอบอาการอา้าวอาการไม่สบายคุณจะไปคิดว่านั่งทับตรงนั้นมันหนักที่ตรงนั้นไม่สบายตรงนั้นทุกเดียวไม่ใช่มันทั่วตัวแหละ แต่เราจะได้สติไหมนะเพราะฉะนั้นแต่สมัยนี้อย่างเข็มขัดเนี่โยมสมัยนี้ไม่ได้ใช้เข็มขัดแล้วใช่ไหมใช่เลยใช้สายรัดใส่ ย, ยืดแทนสายรัดส่ ย, ยืดบางทีตึงเกินไปก็หนักดัง น, นั้นเราจะเห็นว่าเล็กๆน้อยๆเดล่าเนี้ยเมื่อให้มองข้ามการที่เริ่มใส่ใจความทุกข์เล็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็ เ, เห็นสมุทัยคือสมุทัยของความทุกข์ทางกายเสก่อน นี่เริ่มรู้รูปนามตรงนี้ให้ไปเห็นว่าความไม่สบายที่เกิดขึ้นขนาด น, นี้มันเกิดจากในส่วนไหนของร่างกายแล้วตามไปแก้กตามไปบรรเทาตามไปปรับให้มันสบายขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้ถ้ามันไม่สบายมากๆเนะี่ยความไม่สบายอันนี้มันจะเหลือเศษไปสู่อะไรไปสู่ใจที่เราว่าเรียนกันมาสองวันเราต้องเข้าใจได้บ้างลวเพราะฉะนั้นเราจึงปรับจึงแก้เรื่อยๆเพื่อไม่ให้ทุกขเวทนาทางกายเหลือเศษไปสู่จิต นั้นแสดงว่าเราต้องใช้กำลังของสติสัมยะเท่านั้นไม่มีกำลังอื่นเลยที่จะสกัดกั้นทุกข์ที่เกิดทางกายไม่ให้ไหลไปสู่จิตไม่มีอย่างอื่นเลยพุทธเจ้าแต่เอกายานมะโคมีทางเดียวเท่านั้นในที่ท่นคนพบท่านก็นยืนยันเอกายานมะโคที่กายนี้มันจะรู้สึกว่าสุขทุกข์มันจะตั้งตั้งอยู่ไม่ได้ ลูกกระทมมนัสสานังอัฐังขามายะความไม่สบายกายไม่สบายใจมันจะตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าคุณมีสติสัมยาดีๆเนี่ยนะเสร็จแล้วมันเป็นรูปนามตรงไหนล่ะคือไปใส่ใจแก้ไขปรับเรื่อยๆถ้าคนไหนรู้จักปรับบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าคนนั้นเปอร์เซนต์รูปนามเขาจะเข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นอแต่คนไหนหลงหลงลืมลืนานๆปรับทีหนึ่งมันก็รูปนามมันก็นานๆมันก็จะมีทีน ไอความอวิชชาและโมหะก็ยังเยอะอยู่ใช่ไหมเปอร์เซ็นคนนั้นจะรู้รูปนามก็เป็นไงช้าลงแต่คนไหนปรับบ่อยๆแก้บ่อยๆรู้สึกหนัก <Happ> ร <en> <mother> okay? ู way, have have here, s <S ้สึกเบารู้สึกสบายไม่สบายเห็นชัดบ่อยๆเปอร์เซ็นคนนั้นจะเข้าใจรูปนามก็เร็วขึ้นวันที่บางแห่งขอพ่อไปอบรมไม่ถึงสาวันแค่สองวันน่ะเข้าใจรู้รูปนามแล้วเกิดปีติร้องไห้ร้องห่มโอ้ทาไมยหญ่นี่ไวจังไอเราปฏิบัติมาตั้งหลายหลายเดือนมันยังไม่เข้าใจขนาดนั้นเลยบางคนก็บางจริงๆ นะคือตามผู้คือคนที่มีเขาศัตรีคนที่เขามีศรัทธาจริงๆนะแต่อย่างอาตมานี่มันเสียอย่างคนเขาศรัทธายากนะบุคลิกมันไม่ไม่เรียบร้อยอนะบางทีก็อ่ามันก็ไม่นิสัยอย่างนั้นนะเนาะอืมกระโดกกระเดกไปตามเรื่องแต่ใจมันดีนะเอามาค้างกันมัโยมอย่าอย่าไปรังเกียจเอามาเลยเอามาเป็นคนอย่างนี้แหละกี่ปีกี่ชาติมันก็เป็นอย่างนี้นะโอ้โยมบาคนเข้าใจได้เนะี่ยมันเป็นนิสัย พระพุทธเจ้าบอกว่าวัาสนานิสัยเนี่ยนอกจากสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเลิกไม่ได้หล้วเพราะมันเป็นนิสัยเก่านี่ก็ไม่ใช่หนี้ไส้ฉันใช้คำว่าวัสนานี้ไส้กับวัสนาต่างกันนะนี้ไสนี่แก้ได้นะแต่วัสนานี่แก้ไม่ได้เลยพระาราหันนีงแก้ไม่ได้เลยนิสัยเนี่ยตัวอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าพาสาวกเดินเรียบจงกรมอ่ะเออไม่ใช่จงกรมเดินทุ ด, ดงไปเป็นงูขนาดนี่แหละ ที่มันช่วงนั้นหน้าแรงเนาะข้ามแม่น้ําแห่งหนึ่งที่มันน้ํามันแห้งพอน้ามันแห้งก็หินตามหาบันเขินใช่ไมก้อนมันก้อเนี่ยท่านก็พระท่านก็ค่เดินข้ามไปพระสายลิบุตรโผล่มาจากไหนก็เดินวิ่งจองจ้องจ้องจ้ตามวิทยททำก้อนหินไปนั่งรออยู่นู่นแม่น้ำมันกว้างก็ไปนั่งรออยู่นั้นพระพุทุชนตามมาข้างหลังทั้งหลายก็ติดอารมณ์ดิอะไรพระพุทธเจ้ายกย่องเป็นอัครสาวก ฉันเลิอดฝ่ายขวาแต่ทำไมนิสัยอย่างเงี้ยก็ <c oughs> คุยวิงทาว่าสาธิบุตรไปใช่ไหมผู้ดีเจ้าไปเข้าหูพู้ดเจ้าดพอไปถึงกลางทางไปโดนไม้ล่มๆมหัมวนั่งพักก่อนเหมนกันฮนก็พูดเลยนะว่าการที่เรามองเห็นคนแต่ภายนอกแล้วตัดสินเนี่ยมันบางทีมันผิดเยอะนะเพราะนั้นเรามองกันลึกๆ ล, ล, ลงไปอย่าไปตัดสินในสิ่งที่เห็น จะไปเชื่อในสิ่งที่เห็นให้ดูไปนานๆถ้น า, นาก็ยกตัวอย่างเลยนะอย่างสาลีบุตรเนี่ยเธอเธอวิ่งข้ามก้อนหินเป็นอย่างนั้นดังรวดเร็วมันนั่งอยู่ก่อนพวกเราเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเธอเพิ่งมาเป็นชาตินี้นะเธอเคยเกิดเป็นพญาบานอนมาตั้งห้าร้อยชาติแล้วพวกเราไม่เห็นใจเธอบ้างหรืออันนี้ใส่ที่เคยไปลิงมาตั้งหลายร้อยชาติก่อนนั้นนะ่ะจะให้มันมาล้างหมดในชาตินี้เป็นไปไม่ได้ว่างั้น พระทั <c ười> ้งหลายก็ยกอบุญษาทุกเข้าใจแล้วก็พระสารีบุตรก็เอาหลวงหสีให้เอาไปอเนี่ยพระพวกนี้ก็กล่าวขอเข้ามาพระบุตรชนองคไหนหลงคิดอย่างนั้นแล้วกกล่าวขอเข้ามาท่านหมดเห็นไหมเออมันเป็นนิสัยที่ทํามาหลายร้อยชาติเดี๋ยวให้มันเปลี่ยนเป็นไม่ได้เลยท่านบอกเหมือนอย่างนี้เหมือนก็เอาขวดไปใส่เล้าหรือใส่น้ำมันกาดเนี่ย ถาเราเทเล่าเทน้ำมันก๊าดหมดแล้วเรารู้ไม่ว่าขวดนี่มันใส่อะไรมาเพราะอะไรเออทั้งแล้วกลิ่นมันทําให้คนเมาไหมถ้ามากถ้าน้อยไม่เมาหรอกนะเว้นแต่คุณไปตั้งใจดมมันจริงๆแล้วมันจะเมานะามันกินวางๆอะ่ะรู้ว่าอันนี้ขวดน้ำมันกา๊าซเอาไปจุดไฟก็ไม่ติดเอาไปดมันก็ไม่มีพิษมีภัยแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเพราะหารหัสที่ยังมีวิสนาเหลืออยู่คล้ายๆเป็นอย่างนั้นเหมือนกับกลิ่นที่มันติดขวด ไม่ได้ไปที่สิ้นภัยเลยลนะแต่มันก็ไม่เมาแล่ะนะฉันใดก็ดีถ้าเขาบอกฉันนั้นเพราะฉะนั้นพระสายลิบุญนี่เคยเป็นพยาวรณนอนถ้าจะเป็นคนว่องไวคนรวดเร็เวคนอที่เรียกว่าอยู่ไม่ไม่นนิ่งอะ่ะนะอันนี้คือที่ไปที่มาแต่นั้นนิสัยไม่ดีหรือดีไม่ดีเนี่ยเราสามารถปรับแก้ได้แต่ว่าสนาที่แก้ไม่ได้อย่างหลวงพ่อคูณเนี่ยใครจะอาแบบอย่างท่านได้ไหม เห็นว่าแกวิชาคลั่งบางพ่ทุนกูเอาภาษาแบบหลงพ่กพ่อทุพ พ, พูนบ้างเลยมีหวังได้ไล่เท้เลย <laughs> นันเป็นเป็นพาสนาวของท่านอย่างนั้นนะ่ะนะไอ้กูมพระเทพไปหาพ่อไม่มาตั้งนานแล้วกูคิดถึงจังเลยทำไมไม่บอกพ่อมมาหากูเลยนะ <laughs> พูดกับพระเทพ <laughs> ถ้าเป็นคนคนธรรมดาเป็นไงไอ้นี่ต้องถูกตัดหัวแน่นอนเลยเนี่ย เนี่ยลักษณะว่าเออวาสนาเนี่ยบางครั้งเราจะไปคิดว่าเออเราว่าอันนี้ใสไปเยอแก้ไม่ได้คงปฏิบัติรรมไม่ไหวแล้วไม่ใช่วาสนาเรามาอย่างนั้นก็เราก็แต่ละคนก็มีวาสนาของตัวเองเราก็จะได้ไม่ท้อไงอ่าแล้วจะเห็นว่าทุกอย่างมันมีที่ไปที่มาท่านบอกว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นอย่าตัดสินในสิ่งที่ได้ยินอ่าแล้วก็อย่าไปพึ่งหลงปุงปุงใจเชื่อในสิ่งที่รู้ เพราะว่านในกำลังพิสูจน์ใช่ไหมทั้งสิบข้อเนะี่ยเดี๋ยวเพิ่งปรงใจเชื่อนะนะดังนั้นก็เหมือกันเวลาเราปฏิบัติไปเนี่ยเวลาเราต้องการรู้สึกตัวรู้รูปนามอยู่เ น, นี่ยชัดชาติเนี่ยมันังหนักก็รู้เย็นก็รู้อ่อนเคร่งตรงไหนก็รู้แล้วก็ถ้ามันเกินไปก็ปรับออกถ้ามันพอทนได้ก็ดูไปถ้ามันเกินไปก็ปรับออกอันนี้คือความเพียรนะ แล้วถามว่าไอ้ตัวรู้สึกที่เป็นเวทนาเนี่ยมันเคยขาดช่วงบ้างไหมแม้แต่เราหลับไปมึงยังรู้เลยนะนอนสบายไม่สบายนอนหลับไม่หลับมันยังรู้เลยเห็นหมมันมีตลอดเพราะหน้าที่ของเราต้องรู้ตัวตลอดเพื่อจะเปลี่ยนไอ้ตัวเวทนาเนี่ยให้เป็นตัวรู้ให้เป็นสติสมัมปชัญญะนี่เรียกว่าสติสมัมยักษ์ก็มาจากการตามรู้เวทนานั่นเอง เมื่อตามรู้เวทนาเย็นแล้วหนักแข็งของร่างกายบ่อยๆการเคลื่อนไหวตัวบ่อยๆแล้วตามรู้บ่อยๆสติสัมยักก็พัฒนาขึ้นสิใช่ไหมแต่บางคนเขาคนที่มีสติปัญญาดีเนี่ยเพราะเขามีนี่มาแต่กําเนิดคนมันถึงฉลาดจึงโง่งไปเท่ากั น, นใช่ไหมไอ้คนที่มันฉลาดมากๆพ่อแม่เขาทำมาตั้งหลายชาติแล้วเน่ยคุณจะไปอิจฉาเขาไม่ได้ะแต่บางคนสอนเท่าไหร่มันก็ไม่รู้ว่าตัวรู้สึกตัวเฉยๆเนี่ยเพราะ ชาติที่แล้วไม่พ่อแม่บรรพบุรุษไม่กินแต่เหล้าอ่ะมันในสุโขทัยแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงไอความแวววายแบบนี้ใช่ไหมเอออันนี้เราต้องมองเราต้องให้อภัยเขาน้าไปเจอคนคนไม่ฉลาดเนี่ยเราต้องช่วยเขาเยอะๆเลยเพราะอะไรพ่อบรรพบุรุษเขามามีได้ถ้าเขาวัดเขาวาได้เขามาฝ่ายในทางดีได้ช่วยเขาให้เต็มที่แต่คนฉลาดไม่ต้องช่วยมากเพราะอะไรสุ บ, บัติเขามีเยอะกว่าเราแล้วพ่อแม่บรรพบุรุษเขาเนี่ยเขาวัดเขาวามาตั้งหลายหลายชาติอ่ะ มาเที่ยวนีก้ก็เหมือนมารับสมบัตินั่นแหละนะนั้นอันนี้คือการตั้งต้นของรูปนามให้รู้อย่างนี้ขยันรู้เวทนาต่างๆในร่างกายนะแล้วก็การเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกายครายขยันรู้บ่อยๆมีโอกาสเข้าใจได้เร็วเพราะสติสัมยา ม, มันเพิ่มเยอะอย่างแสงสว่างห้องไฟเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันมาจากไหนใช่ไหม ง่ายๆที่สุดสมัยไม่มีฟ้ามาจากไหนมมนจะฟืนใช่ไหมอ่อแล้วมันเป็นไฟได้ไงถ้าคนไม่จุดมันจะเกิดได้ไหมอ่าไม่ได้จากฟืนมันกลายเป็นไฟเพราะนั้นตัววัตถุดิบคือฟืนเนี่ยมันก็เหมือนเวทนาในตัวเรามันเป็นวัตถุดิบในตัวเราแต่การที่เราตั้งเจตนาที่จะรู้เหมือนเราจุดไฟเข้าไปเมื่อมันติดไฟแล้วเป็นแสงสว่างเป็นความร้อนนั่นคือกาลังของสติสมาธิ มันเกิดขึ้นทําให้ตาเราเห็นมันเกิดปัญญาเพราะนั้นไอเวทานาที่เป็นวัตถุดิบที่ทุกคนเรามีนะี่ไปมองค่าไมาได้นะมันคือวัตถุดิบแห่งพุทธะนั่นเองอ่ะแต่เราจะพบกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์ที่บอกเราตรงๆเนะี่ยได้ไหมซึ่งเมื่อวานได้บอกว่าเราจะเข้าสู่เส้นทางอาริมักของพระพุทธเจ้าอาศัยเหตุสองประการจําได้ไหมจําอย่าลืมไว้สิ ประการที่หนึ่งคืออะไรกระไดมิดหรือครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงด้วยนะผู้รู้จริงก็พาเราหลงโลงมาเยอะแล้วใช่ไหม <S <S เออแต่อย่าไปว่าข้านไม่ได้นะเราโง่เองเ น, อะนะเนาะเราเลือกไม่ถูกนะแล้วอันที่สองคืออะไรอโยนีโสม ร, ริการเราจะต้องมีสติปัญญาอยู่ระดับหนึ่งด้วยแต่ระดับสติปัญญาจะมากจะน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับ พัษ น, นาบา ร, รมีท่านใช้เขาว่าเราจะบอกขึ้นอยู่กับบัณฑปุลุดมันด่ากันเนาะ <laughs> ขึ้นอยู่กับพัศ น, นาบา ร, รมีะใช้คำนี้เป็นไงสุภาพเราก็มีกําลังใจหน่อยนะ <laughs> บัณฑปุรุษคุณไม่ได้สร้างมาเลยนะโอ้โหมันมันด่ากัชัดชดเลยนะแบบนี้เน ะ, <laughs> ะเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันถ้าเรารู้ความจริงนี้เราจะขี้เขียนไหมถ้ายิ่งรู้ช้าเรายิ่งขยันเพราะอะไรเพราะ พ่อแม่เราไม่ได้สร้างให้เรามาเลยเหมือนไอ้คนที่มันพ่อแม่ไม่ได้มี ส, สมบัติสงให้เลยนะ่ะถ้ามันอยากจะเป็นคนรวยอะ่ะใช่ไหมมันต้องขยันตั้งหลายเท่าอะ่ะแต่อีคนที่พ่อแม่ไม่สร้างมันสมบัติมามันขยันนิดหน่อยมันก็รวยแล้วนะเราก็เหมือนกันคนที่เคยพ่อแม่สร้างสงประเดือิมาให้เนี่ยปฏิบัติอีกนิดหน่อยแล้วก็เข้าใจแล้วเพราะเป็นสมบัติเดิมของเราเราเรียกว่าศาสนาบา ร, รมีนะแข่งอ่าเรือแข่งพายแข่งกันได้ใช่ไหม แต่แข่งบุญวิสนาเป็นไงแข่งไม่ได้เพราะเขาสร้างเออบารมิบุตสร้างมาไม่เหมือนกันแข่งกันไม่ได้เด็กไปสอบสิบคนเนี่ยเก่งเหมือนกันทุกคนนะแต่เขาเอาสักสามคนเงงคนี่ยแทนว่าไอ้เจ็ดคนไม่ใช่ไม่มีปัญญาไม่มีคนมิวมันมัมนมีแต่ไอ้สามคนนั้นมาได้อ่ะเพราะวิสนาบารมีมันดีกว่าไอ้เจ็คนนี่เห็นไหมเพราะนั่นการปฏิบัติน่ยเหมือนเราได้สร้างวิสนาบารมีเราจะได้อะไรก็ได้ก่อนในทางโลกอะ เพราะเราได้สร้างสิ่งนี้มาแต่เราไม่ต้องการแค่นั้นเราต้องการมากกว่า น, นั้น ค, คือการที่ชีวิตนี้ไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปเนี่ยไม่ต้องเวียนว่ายได้เกิดอีกต่อไปไต้องการขนาดนั้นดันั้นเองการปฏิบัติไม่ควรจะท้อมีปัญหาให้ถามวันนี้หลวงพ่อจะอดใจอยู่กับพวกโยมทั้งวันเทวันเนั้นเ <c oughs> พราะมันธุระมันเยอะอจริงๆเนา ะ, ะเปิดโทรศัพท์มาได้กรี๊งมาอ้หลวงพ่อนั่นโนนี่อันนั้นอ่ะไปละ ก็ต้องดูกันว่าธุระจําเป็นไหมคืออยู่มานานพันสายเยอะแบเนี้ยนกหนูปลามันก็ะกอกันเยอะเราก็ต้องมีดอกมีผลอะไรให้เขากินดังนั้นในเรื่องการปฏิบัติเนี่ยเบื้องต้นถ้ารู้รูปนามชัดชัดตรงตรงแล้วง่ายๆแบบนี้นะถ้าเราไม่ขี้เกียจเราขยันนะเรื่องอื่นมันจะรู้ไปเองมันจะรู้รูปทำนามทำรูปโลกนามโลกรู้ขันห้ารู้ ไตรลักษของมันโดยโดยองค์ธรรมมันเป็นไปเองแต่ส่วนใหญ่ที่มันรู้ไม่ชัดเพราะว่าเบื้องต้นรูปนามก็รู้ไม่ชัดแล้วอะ่ะแล้วไอ้เบื้องสูงขึ้นไปคุณจะเอาอะไร อ, ะอ่ะคอไก่ทึ้งคอห อ, อนุ่งหกคุณยังเขียนไม่จบเลยอะ่ะแล้วคุณจะไปเขียนเป็นข้ อ, ขอความเป็นเรื่องเป็นราวไปเขียนต่อไปได้ไหมมันไม่ได้หนึ่งถึงศูย์คุณยังเขียนไม่จบเลยคุณจะไปเอาบอกลบคุณหารนะมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นรูปนามเบื้องต้นง่ายๆอย่างเนี้ยก็เหมือนกับ เบื้องต้นอย่างนั้นมันก็ไก่ถึงหอนห้องหูเขียนให้ได้ก่อนแล้วเราก็รู้อยู่แล้วครูก็สอนก็มีอยู่แล้วความเจ็บปวดเย็นร้อนอ่อนแข็งเค่งตึงก็มีอยู่แล้วการเคลื่อนขั้นไหวเนี่ยมันมีอยู่แล้วเนี่ยชั้นเรียนเรามีอยู่แล้วเนี่ยแต่เข้าไปโรงเรียนแล้วครูมีไหมถ้าไม่เจอครูมันก็ไปเปล่ามันมันก็พอๆอยู่กับบ้านนะใช่ไหมแต่พอไปเจอครูครูก็บอกเออนี่ก็ไก่งี้ขอไขงี้หอนห้อหูผสมกันล้วมันจะอ่านว่าอย่างนี้เนี่ยก็เรียนกันไปตามลําดับ อันนี้มันการเบิงตงุ้มนะเออมีคุณทุกคนมีเวทนาอยู่นะทางกายมีการเคลื่อนไหวทั้งดีบทใหญ่ดีบทย่อยที่เราสวดกันมาตอนเช้าเนี่ยดีเราสวดอะไรสวดเวทนาใช่ไหมเวทนามีเท่าไหร่สวดมา ถ, ถึงเช้าเนี่ยวทนามีเท่าไหร่เวทนามีหลักหลักมีสามใช่ไหมสุขขัง เ, งเวทนาเวทียา เวทยาโนสุขังเวทนาเวทยามีติประจานาติอ า, อ า, อ า, อามิสั่งาสงสุขังเวทนาเวทยามโนอามิสั่งเวทนาเวทยามีติปตัจจานาตินิรามิสั่งทุกขังเวทนาเวทยามีติตัวเดียวเนี่ยหมุนไปสามรอบเลยนะหความรู้สึกสบายธรรมดา 2. ความรู้สึกเพราะได้พิงความรู้สึกเพราะได้นอน ความรู้สึกสบายเพราะได้นอนคนนั้นความรู้สึกสบายนั่นกันนอนได้ต่างกันไหมความรู้สึกอย่างนี้ถ้าอากาศอา้อาวๆหน่อยระหว่างเปิดพัดลมสบายกว่าไหมหรือความรู้สึกอา้อาวๆไม่ได้เปิดพัดลมเปิดแอร์สบายกว่าไหมเวทนาท่านก็พัฒนาตามนั้นเวทนาที่มีเหยื่อมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้สบายสบายมากกว่าเวทนาที่ มีเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งให้ไม่สบายนั่งอากาศร้อนๆเปื่อ น, อนแอร์เย็นฉ่ำดีๆไฟดับรึเป็นไงโอ้โหทุกมาทันทีเลยเห็นไหมนี่เหตุปัจจัยคือ น, นิรามิสั ง, สง น, ง น, นิรามิสังสุขังเวทะนังเวทิยามะมานนิรามิสังสุขังเวทะนังเวทิยามีติปัญชานาติท่านเอาไปหมุนอย่างเนี้ยมันมีแค่สุขทุกข์กับเฉยๆใช่ไหมเอาไปหมุนอย่างได้สามรอบเป็นเวทนาทั้ง9้ามันถึงสวดส้่งไปสั่งมา แต่เราไม่รู้เรื่องบาลีอะไรมันพูดไปพูดมาอยู่ตรงนี้ว่าใครพูดเดีย่ยบๆหน่อยนะแต่คนจริงเขาก็คือหมุนไปอย่างนี้แหละตัวหนึ่งหมุนไปสามรอบสามรอ บ, ส า, อบสามตัวก็เป็นเท่าไหร่เก้ารอบก็เรียกเาเพราะถ้าเปลี่ยนไปทางาทุกขเวทนาเปลี่ยนไปทางโทสะไปไ ป, ไปเป็นมานะเพราะฉะนั้นมานะขางคนคือมีเก้าตัวไงสําคัญตัวว่าดีกว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาสําคัญตัวว่าแย่กว่าเขาเนี่ย มาเวจากเวทนาทั้งสามสำคัญดีกว่าเขาก็ว่าเรามีสุขเวทนาดีกว่าใช่ไหมเราก็สำคัญตัวกูดีกว่ากูรวยกว่ากูสุขกว่าใช่ไมมันก็เป็นข่มกูดื่นเป็นมาหน้าดิทีนี้รู้สึกอ่ารู้สึกว่าเราไม่สบายเป็นทุกขเวทนาเราก็ไปสำคัญว่าคนนั้นโอ้สบายด้เราแย่ใช่ไหมสำคัญตัวเองว่าแย่กว่าเขา ทีนี้มันดูสุขดูทุกข์ไม่ไม่ชัดเจนเออเขากับเราไม่ว่าคนรวยคนจนก็สุขทุกข์เหมือนกันแหละอันนี้เป็นอนทุกขสุขก็ขเวทนาไม่ชัดสําคัญว่าเสมอเขาเห็นไหมจากเวทนาทั้งสามมันเป็นผลเป็นมานะทั้งเก้าคนเราจะมีเมื่อที่ถิมานะสูงเพราะมันไม่ได้ตามรู้ทุกขเวทนาไงมันจึงพัฒนามาเป็นอันนี้เรื่องละเอียดไปนะแถมให้ดังนั้นกลับมาที่ว่าเวทนาทั้งสามตัวเนี่ย ถ้าเรามีสติเข้าไปรู้้วยความสบายเป็นอย่างไรถ้ามันเกินไปสบายนี่จะทำให้เราเพลินและถ้าเพลินแล้วไม่แก้ความเพลินนี่ก็จะก่อให้เกิดเป็นความง่วงและความง่วงเอาหานอนหาววอดๆเนี่ยมาจากตัวนี้แหละมันยอมแก่ที่มันมันผ่านมาแล้วแก้ไม่ถูกนะ <c oughs> แต่ถ้ามันทําจะหาวใหม่แทนที่จะหาวร0อเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมหาวสักสี่เปอร์เซนก็พอคื อ, อยะอ้ า, อาปากกว้างอ้าปากนิดๆ อันนี้ทำมันหาวที่ไรอ้าวปากกว้างร้อยเปอร์ซนเลย้แสดงว่าคุณตามไม่ทันเลยนะทําถ้าจะหาวหายใจก่อนเลยนะมันเจอเมืนมันต้องแสดงอาการก่อนก่อนจะหาวใช่ไหมไม่ใช่ผูกปับมันหาวทันทีนะแล้วมันแสดงอาการก่อนและสั่งที่มันแสดงอาการให้สัญญาณแล้กูจะหาวแล้วนะแต่ถ้าเราไม่ตามรู้ไม่ทันมาหรอกที่ไรก็วอดไวอร์ด้แล้วมันะเราก็ตามรู้พอมันทำได้จะหาวก็ดักหน้ามันก่อนหายใจให้ลึกสูดหายใจเข้าลึกเพราะในลมหายใจมีอะไรอยู่ด้วย เอาชะเยน็นเอาชเยนไปทำให้สมองเป็นไงตื่นตัวสดชื่นอาการหาก็สั้นลงมานี่วิธีแก้นะนั้นขอให้ได้สติก็แล้วกันมันจะแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะโอ้ไปไกลไม่ได้แล้วนี่ไม่ได้เวลาฉันแล้วเนาะหิวเรียงหิวแล้วนะเอาแค่นี้พอนะก็ขออนุโทนาสาธุในความตั้งใจที่พวกเราทั้งหลายจะได้ศึกษาเรียนรู้ เข้าใจตัวเองให้ชัดเจนเพื่อที่เราจะไม่ต้องสงสัยในการปฏิบัติเราจะได้ทุมท่มเทแล้วก็ปรับแก้ให้มันถูกต้องอยู่เสมอความถูกต้องนี้เราจะนำไปสู่ตัวพ้นจากความทุกข์และปัญหาด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ